ตงีรอหลังพว ก, กรอทำงานทำการสองตาก็เพียนพยายามที่จะทู่สู่ฟังไม่เบื่อาดในการแสดงธรรมเพราะมันเป็นความจุดยอดของการศึกษาเป็นการเรียนรัดผู้ฟังก็อย่าเบื่อไดอย่าเบื่อายตัวคำสอนขี้เกี่ยตาม เห็นแก่การหลับเจร น, นอนความสะดวกสบายไม่ประกอบการ ป, า ร, ประลมเพลียนเพลิดเพลินถ้าเยอทยานในโลกเกินไปมีความกังวลปฏิโภบตรมันก็เป็นชีวิตที่ไม่เจริญถ้ามาศึกษากันเถอะมาเคลืดด่อนย้ายขนส่งตัวเรามีสติมีความรเลึกได้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 มันไม่รู้ก็รู้ผ่านไปแล้วถ้าไม่รู้ไม่ชี้อะไรอยู่เฉยๆก็ไม่มีวิธีไม่มีการแสดงเอาเหมือนก้อนห็นคนดินชีวิตเราต้องไปถ้าเราไม่ไปมันก็จะไปอีกทางหนึ่งมันไปอยู่แล้วชีวิตเราเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ตรงนี้ว่าไหลไปอยู่ไหลไปอะไรไหลไปที่ไหนไหลไปสู่ความแก่ความเก็บความตาย ไปสู่ความพัดภาคจากของเราของจอบใจมันไปทางนั้นเราจึงต้องมาขวนกระแชเหมือนพระพุทธเจ้าเสี่ยงถาดเวลาฉันเข้านางสุจดาสมัยเป็นโพธิสัตว์เราก็ว่าถาดไหลถวดกระแสน้ำไม่ใช่ถาดแต่เป็นปุกราธิฐานก็าเป็นถาดจริงๆ ถ้าเป็นธรรมมาทิ่ฐานก็เป็นกิจใจของเราคือสตินี่มันทวนไปทวนโลกมันหลงก็รู้ทวนไปแล้วมันสุขมันทุกข์ก็รู้ทวนไปแล้วมันมีอะไรต้องทวนอยู่ทุกเวลาชีวิตเราเพราะนั่นตัวรู้ตัวนี้เป็นการไปเหมือนขนสง่งพระุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งแต่ปฐมพระโพธิการจนถึงปฐมพระโพธิการ ก่อนบริพารก็บอกพักสุดท้ายเป็นพระวาจาพรมำสอนอันมีในขั้งสุดท้ายของพระธรรมขเจ้าว่าเธอทั้งหลา ย, ย่าได้ประมาทคือมีสติเนี่ยมีความรู้สึกตัวมาเห็นมารู้รู้กายเคลื่อนไหวไปมาประกอบมันขึ้น่นไหถ้าไม่ประกอบมันไม่มีมันจะมีตัวหลงมาก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 อ่าเล้วผ่านเล่าลเมือ่อเราเดินทางจนานาในเช้นทางเจ้าของทางเหมือนบ้า น, านอยู่หลังเขาอะไรถโ ด, ดยสารบนหลังเขาขึ้นเขาลงเขาเป็นทางของเขาไม่มีอุบัติเหตุเหตุใดๆเพราะเป็นทางของเขาเขาชํานาญในการขึ้นเงินลงแต่ถ้าคนที่อื่นไม่ขึ้นมักจะพลาดได้แล้วก็อุบัติเหตุ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 เวลามันเนิรบนทางเสมอมันไม่ยาวเขาเพลินไปเขาไปขึ้นก็เรียนหนักตอนขึ้นใกล้ๆก็เลยลดหนักก็ไปไปได้แล้วก็ดับเพรมันดับเพราถ้ามันหนักมันถอยหลังมันเอาไวอยู่อันเรานี่ก็เหมือนกับนักเดินทางในชีวิตของเราจนเห็นเมื่อเห็นแล้วก็ทำเป็นใช้ชีวิตเป็นเห็นลูกเห็นนามเห็นกายที่แรกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิต เห็นนามเห็นธรรมต่อไปต่อไปเราก็กายกันเวทนาอันจิตอันธรรมนี่มันเป็นอันเดียวคือรูปธรรมนามธรรมเป็นรูปเป็นนามทั้งสอย่างเนี่ยเป็นรูปเป็นนามมันย่อลามาให้เราสะดวกเห็นเป็นรูปไปทำเห็นเป็นนามมาทำมันก็แตกแขนตรงนี้รูปมันบอกนามมันบอกไม่ใช่คิดเห็นนะมันพวกเห็นเข้าโออันเกิดไว้อยู่นี่เป็นรูป ที่มันรู้จักเคลื่อนไหวนี่มันเป็นนามมันเป็นธาตุรูปมันเคลื่อนไหวเป็นเป็นหลักฐานที่มันตั้งต้นตรงนี้เหมือนกันหมดทุกคนตัวรูปนามพอเห็นรูปเห็นนามก็เห็นรูปทำนามทำที่รูปมันทำนามมันทำรูปทำเห็นนามมันทำทำอะไรทอสลามทำทั่วทอสลามทำดีรูปทำอีกอันหนึ่งคือธรรมชาติ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 รูปไม่ใช่หลงไม่ใช่จิเลตัญหาเป็นอาการของนามมาธรรมเป็นทอทงรอเรือสองตัวมกมาอันนั้นเป็นธรรมแต่ก่อนเราก็ไปยึดมีอุปาทานยึดเอาตอนที่เราสวดว่าเราย่ออุปาทานขันนางห้าอันรูปธรรมที่นั่นไม่นนเป็นขันถ้าเราไปยึดก็เกิดเกิดดับเกิดดับขันอันั้นนะขันที่เป็นนามมาธรรมมันเกิดบนรูปธรรมเหมือนกับ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 เป็นการสาธยายจะไม่ก่อนไม่มีการสวดมนต์อาจจะไม่มีการสวดมนต์ไหวพระก็พระสงฆ์ก็ น, นัดกันเองพระเจ้าก็ น, นัดป้ายเถอะภิกษุทั้งหลายเราจะพาไปหรือภิกษุทั้งหลายเดินเข้าป่าก็พระเจ้าก็จับใบไม้ขึ้นมากับมือเดียวเอาชู้ใบไม้ให้ภิกษุดูว่าดูก่อนภิกษุใบ ไ, ไม้ในป่ากับใบไม้กับมือเดียว อันไหนบรรพมากกว่ากันพิสูจน์ทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในป่ามากกว่าใบไม้กิดมือของพระพุทธเจ้พาพระเจ้าก็บอกว่านี่การลู่อะไรมากมายแต่ว่าการกรรมมาทําน้อยน้อยคือมารู่สิ่งที่เรารู้ทั้งหลายเหมือนใบไม้ในป่าแต่เอามาลู่เป็นเรื่องเดียวคือภาวะความรู้สึกตัวมาเห็นาเวทาก็เห็นสัญญาก็เห็นสังขารก็เห็นวิญญาณก็เห็น เวทนาคืออะไรความสุขความทุกข์สัญญาคืออะไรสัญญาคือจับไว้เอาไปจุ่มเอาเหมือนเราย้อมผ้าเมื่อเราผ้าไปย้อมมาก็สีแดงก็ติดในขันเนี่ยเราขยันย้อมตรงไหนแล้วก็ติดตรงนั้นเรียว่าสัญญาสังขารก็คือขยันขยันย้อมอยู่เรื่อยๆขยันโกดขยันหลงขยันสุขขยันทุกขยันลักขยันชังมันก็ขยันเรียกว่าสังขารอยู่ไม่เป็น ชอบบงผงแต่งแต่ ง, ตงเรื่องนน่นเรื่องนี้วนเวียนเวียนไหวตายตเกิดเกิดดับเกิดดับวิญญาณก็ติดไปเมื่าย่อมเราก็ติดให้กายๆเป็นวิญญาณวิญญาณแบบไหนถ้าไปย่อมเอาอากุศลเราทำมันก็เป็นภกต่ําเป็นอบายญี่ปุไปเปรตสลดกายจาะนรกหรือฉานได้อันมันติดโดยเฉพาะส่วนมากอุปทานตัวนี้มันติดเพราะไม่เห็นเข้าพไม่เรียกว่า เป็นธนาสัญญาสังขญญารอย่างนั้นเป็นอาการของกายของใจของรูปของนามมันก็ง่ายเรามาเห็นแล้วโอ้มันตกอยู่ในตจลักษสมันลักษณะสารมลลักษณะนี้เหมือนกับถังขยะอันใหญ่เป็นที่ทิ้งที่วางโลกทั้งหลายอันที่มันมีรสชาติชีวิตของเราเนี่ยมันมีรสชาติรสอะไรเครื่องหลงความมีรสความลู้ความมีรส ค, ค, ความสุขความทุกข์ความรักความชัง อะไรต่างๆเยอะๆมมีรถแล้วก็พอทิ้งมันก็ไม่มีรถมันก็วางลงวางนี่ไม่ใช่วางเหมือนอจับของจับจริงจับของมันเป็นการวางง่ายๆวางคือภาวะที่เห็นกิยาที่เห็นที่รู้นี่คือวางอะไรที่มันจะวางยากก็อาศัยแต่หลักเออความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าวางก็เอาก็เบาถ้าเอาก็หนักการวางคืออะไรหลุด หลุดจากอะไรหลุดจากความหลงหลุดจากความทุกข์ความสุขความรักความจักหลุดออกมาก็เบาไปเรียกว่ากายละหุตาเบกากายจิตละหุตาเบาจิตก็เกิดเบาขึ้นมาสนุกสนุกกับการใช้ธรรมะใช้บทเรียนใช้ประสบการณ์จากการกระทำที่เรามีการพกเห็นสอนตัวเราหลุดไปนี่ใจรักเป็นที่ทิ่ง ท, ที่วาง รูปนามเนี่ยเอามารวมลงที่แต่ละเฉลยไปเลยสนุกเวอรสนุกเฉลยไปแล้ว ไ, ไ, ไปเห็นทุกรูปทุกนามทุกทุกของรูปมีเยอ ะ, ยะนะไม่ท้วนไม่เห็นทุกตรงไหนเอาทุกที่มันเป็นทุกขังอนิจังอนัตตามีไม่ใช่เราไม่มีการหายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกขังไม่หายใจไม่ได้หรือไม่ได้ต้องหายใจเข้าหายใจออก จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องถ่ายหนักถ่ายเบาต้องคืินดําลายต้องพิบตาต้องยืนเดินนั่งนอนอันทุกขงังอยู่ไม่เปลี่ยนอยู่นิ่งไปได้มันไหลไปอันนี้จังก็ซ่อนเอาไว้อันทุกข์ขังนี่ก็ไม่ใช่ทุกมันเป็นอนนีจังอยู่ในที่เป็นทุกแม้แต่ความโกรธก็เป็นอันนี้จังไม่เที่ยงความรักก็เป็นอันนี้จัง ความหลงก็เป็นในจันแต่เราก็ไม่ไปใช่ตัวนี้ก็ยืดเอาทําตามมันก็เสียเปรียกมันเอาของไม่จริงมาเป็นของจริงเอาของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนก็ไปเห็นทุกข์แต่ก่อนสูบบุหรี่ทั้งๆที่มันเป็นทุกข์แล้วรูปเนี่ยเอาบุหรี่มาให้มันสูบเอาเล้ามาให้มันกินเอาอะไรต่างๆมาให้รูปนี่บางทีก็มีอะไรที่พรลุงพลังเขาบีกพาลาหาเว อันขันเป็นภาระหนักขึ้นตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หนักแล้วกลายเป็นคนเขี้ยวหมากจนหมากก็ถือตะก้ามากว่ากก็อยู่ไว้นิ่งเขี่ยวต้องถือกระโถนท้องถูถงุงหน้ามากน้าหมากหน้าลายม้วนไปน่าสมเพชพอมาดูโอ้ยสงสารลูกไม่เคยมีใครช่วยเหลือลูกเราก็ไม่เคยช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนามเลยปล่อยป่าละเลยดูแลดูแลตัองไม่เป็น ถ้าเป็น า, นามมาทำคือวิญญาณลูกก็ไปได้ทุกที่ทุกทางคิดอะไรก็ได้คิดได้แต่พื้นเพือลำชั่วของผิดความถูกอะไรต่างๆคิดได้คิดดีบ่อยพอมาเห็นโอ๊ยลูกทุกนามทุกก็ตื้อเหลือล้นช่วยเหลือช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนามนะโอ้ยมันเป็นมรรคเป็นผลตอบสนองจากกอโชบุรีเอ้าหลุดไปเลยบุรีไม่ได้อดมาเห็นทุกเนาะ อะไรที่มันเคยติดเพื่อนมามันมีเหมือนกันนะผลุงพผลังอุปท า, านกังวลเรื่องอะไรต่างๆเยะแยๆเพราะคิดผ่านมาถ้าเป็นจางหลวงตาเป็นชีวิตที่ขี้ทุกข์ขี้ยากเป็นลูกกัมพาพ่อตายจากเป็นคนขี้ทุกข์ขี้ยากที่สุดเหมือนกับจนถึงมีผ้าเขามา้าผืนเดียวเหมือนทักษิณว่ารจนพางตาจนเหมือนผ้าเขาวมา้า แล้วก็ทำวันยิ่งใหญ่ฆ่าคนตายมาจนถึงสองสามปีแล้วถ้าเกิดที่แรมทักสินว่าจนผ้าเขามาไม่มีอะไรหรอกไม่น่ากลัวขนาดนั้นจนโจนแบบนั้นอันจนแบบจนเปนแบบทุกข์นะจนผ้าเขามานะ้าเน่ะเอา้ามีผ้าเขาวมาเพียงเดียวไปทำนาก็ห่มผ้าเขามาาอะไรก็ผ้าเขาวมา้าเลี้ยงควายก็ผ้าเขามา้าเปียกก็ต้องหม่ม ภาคามาเพื่อ น, นั้นอะไรก็ต่อสู้ความยากความจนได้โอ้โอ้ยสงสารลูกสงสารจนน้าตาเสืมมาพ่อก็ไม่มีพ่อไม่บอกไว้สอนแม่ก็ไม่คอยบอกคอยสอนเพราะแม่ก็ไม่รู้โอ้ลองมาลูกเลยเนี่ยเขาน่ะลูกทุกน้ําทุกการกอบกู้รูปกจมที่ให้พ้นจากทุก์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจ เหมือนลงตาปลูกปาปลูกต้นปาปลูกต้นง่ายมันดีมันโตขจะหนองโตจะหนองยังไงมันเหี่ยวเราน้มไปล้นมันแล้วก็ชื้นเบินขึ้นมามันตตบจรนองโตขึ้นมาแล้วมันตอจรหนองเหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์ในชีวิตเราต้นง่ายต้นใดที่เราปลูกไว้แล้วก็ไป เยี่ยมยา ม, ยามให้น้ำมันก็ตอบสดองการสอนตัวเองมันตอบสนองจากการมีทุกข์เอาหมดไปหมดไปจากการจบวุหนวิ่งเอาหมดไปแล้วพ้นไปแล้วอุ่นวิ่นิพพานไปแล้วไม่มีในหัวใจความทุกข์ก็ค่อยนิพพานลงความกัวก็เบาลงความโลภ ก, ก็เบาลงความหลงก็เบาลงที่เดชฐานเบาลงไม่แน่นหนา เพราะอะไรเพราะเห็นไม่ให้ค่ามันมีเครื่องมือเยอะแยะเลยการปฏิบัติธรรมเราเห็นโูภทุกเห็นนามทุกขช่วยช่วยได้จนพน้นออกชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปใจทุกเหมือนเดิมก็ไม่ไม่ได้แล้แน่แต่ทุกข์ก็มีบ้างใจโกรธก็เหมือนเดิมไม่ได้ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ร้อยเปเ ه, เออป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานมันคือคุ ณ, ณธรรมไม่ใช่ไปที่ไหนเพราะไปจากเนี่ยไปจากตัวหลงไปสู่ตัวรู้ไปจากตัวทุกข์ไปสู่ตัวรู้ไปจากตัวโกรธไปสู่ตัวรู้ไปจากตัวรักตัวชังข้างบนไว้ตกสอมองไปสู่ตัวรู้ภาวะที่รู้ให้มันเป็นครารไปพ้นไปพ้นไปหรือว่าวิมุตรลุดไปหลุดไป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 ถ้ามันหลงหรือรู้เป็นยังไงมันก็พ้นจากความหลงไปเคยชำนาญในการพ้นจากความหลงพ้นอยู่ทุกเวล า, ลาทันทีพ้นจากความทุกพุ่นจากทิเหตุตัณาพ้นจากอะไรต่างๆที่เป็นรูปทุกนามทุกจิตใจก็เปลี่ยนไปรู้บุญรู้่าตรู้ศาสนาบุญก็เคยใจที่มันดีกว่าเก่ามันรู้ตัวรู้ไปงู้นี่คือบุญหรือ แต่ก่อนบางคนเอามาหอบฟางสุกก็เอาทุกข์ก็เอาหลงก็เอาโกรธก็เอาเป็นกูไปทั้งหมดเรียกว่าไม่รู้พอไม่ลูกก็โกรธได้ทุกข์ได้หลงได้รักได้ชงน่าเต็มตัวเป็นพ่อเป็นญาติพอเรามารู้หรอกมันมันเป็นบุญบุญคือรู้รู้ล้วก็หลุดบุญมันอิม่มมันเต็มไม่บกพร่องไม่หิวคือมันรู้โอ้บุญคือแปลว่ารู้ดีแล้วไม่ทําชั่ว ไม่ผู้ชั่วไม่ชิดชั่ ว, วถ้ามันจะมีความชั่วก็เปลี่ยนเป็นความไม่ชั่วเท ว, ว่าบุญโอ้บุญ oh, ศาสนาคือเราคือคนเรามีศีลมีธรรมและความชั่วทำความดีจิตใจบริสุทธิ์ไม่กังวลใดๆรู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาหายค่ะว่าขนส่งตัวเองพ้นดอกจากหัวเขียวขี้โคลนขี้เลนถ้าจะเปรียบ ตรงนี้ก็เปรียบเหมือนว่าเอเราจะหมายก่อนเป็นเด็กเหมือนเด็กน้อยเล่นขี้โคลนก็เห็นขี้โคลนเด็กก็โจนลงไปเกลียกขี้โคลนผู้ใหญ่ก็เหมือนพ่อแม่เอาลูกขึ้นมาจากขี้โคลนเอามาล้างมีไกลนี่ก็น้วยที่ฝายน้ําล้นถ้ามาหผจนทางที่เข้าบ้าน่ะแต่ก่อนไม่มีฝายไม่มีน้ําตรงนั้นพอทําฝายน้ำล้นเห็นกันครูบรรยาว เหยีดยดอะไรไปผูกต้นไม้พอปลูกต้นไม้ก็มีบวกหนองที่มันบวกที่ต่อยแล้ววันฉันเห็นที่ตรงนั้นแต่ว่าไปเพมเด็กน้อยก็ไปรวมกันพอเด็กน้อยเห็นบวกน้ําขังเป็นขี้เคลนแล้วก็ลงไปลุยลุยแล้วไม่ใช่ลุยแต่ว่านั่งหลงเกลี่ยลงไปนอนเหมือนควายไปเลยเพราะแม่ก็วิ่งวิ่งลงไปจับเด็กมาอยู่มัน ที่คนมาเปียกแล้วก็ปล่อยให้มันเล่นจนมองมาเห็นเป็นพูดเป็นคนเลยมันก็ว่ามันสนุกแต่พ่อแม่ก็เอาขึ้นมาเอาเข็นมาก็มาอุ้มขึ้นรถพอใจเอาไปอาบน้ําอันตัวลูกเนี่ยไม่เห็นตัวหลงช่วยตัวหลงน่ะตัวหลงมันเป็นไรมันเพื่อนตัวทุกมันเพื่อนตัวโกรธมันเพื่อนอะไรต่างๆมันเพื่อนแต่คิดเนี่ยว่าเอามือลูโปกงเลยใครคิดชั่วนะมันเพื่อน มันเพื่นจิตไม่ใช่ไหวคิดแบบชาตานด้านา น, นะพอเห็นรูปเห็นนามเอามือมาลูบเอกเลยโอ้ยแค่นี้ก็คิดเลยไปแล้วเลยแค่นี้ก็โกรธเลยแค่นี้ก็หลงแล้วเลยอันว่าอย่างนี้ตัวรูปนะเมื่อมีตัวรูปมันไม่ใช่ตัวรู้ทํามดาเป็นญานเป็นปัญญาด้วยก็ช่วยช่วยตัวอย่างเองี้ยเท่าพ่นไปก็เออมันก็ไปเรื่อยเรยมันเป็น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 แต่ก่อนเราไปรูปมันลูกนี่มันทําอะไรของมันเป็นไหมทําไมเป็นมันยกมือไหวอย่างนี้อะไรสั่งมันมันกํากับปั้นอย่างนี้อะไรสั่งมันไม่ใช่ลูกวันทะเบกมันมีน้ําไม่เหมือนต้นเสาตัวนี้เอาเสายกมือไหวแล้วมันเคลื่อนไม่เป็นไปนั่งนั่นดูจีไปเข้ารงหนังดูจีเด่นไปไฮโลดูจีมันทํำไมเป็นอันเป็นรูปธรรมดา ต้นอินก็อนหินแต่ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเหมือนกันอันเดียวกันต้นเสาต้นนี้ไม่เที่ยงแต่ก่อนเสาต้นนี้ก็อยู่กติข้างบนเบอร์แปดเรี่กว่าหอตไตรมีพระไตรปิฎกไปชื่อววาไปไว้ที่นั่นแต่ก่นอนอยู่คนเดียวก็ไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกก็ไม่มีใครไปใช่พอดีก็เออญาติลงมาแล้วหลังนี้ก็ญาติลงมาที่นี่ มาเป็นหัวใทีนี้แต่ก่อนนก็หนุ่มอาจจะดีแน่นนะเดี๋ยวนี้เกิดุดโทรมลงไปแล้วก็ซ่อมแชงต่อตก่กอนป่วงเข้าจินเสาขาดขึ้นไปนั่งไหนงอนแยนงอนแยนก็มาต่อมาทำใหม่อันนี้ก็ไม่เที่ยงของลูกไม่มีน้ำอันชีวิตเราก็เหมือนกันะมันก็มีความไม่เที่ยงมันไม่ใช่แล้วก็ไหลไปของวันอยู่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 โรคบางอย่างต้องช่วยหมอต้ช่วยหมอโอ้ต้องให้หมอมาช่วยอาศัยหมออาเน่โรคโรคมีหลายโรคนะรูปโรคนามโรครําทำนามทำเห็นเป็นสูตรเป็นสูดไปต่อไปก็เห็นเป็นปรามัดระบาดไงปรามัดคือของจริงจริงแบบไม่จริงมันทุกทวนึ่งควาไม่เที่ยงก็จริงแบบว่าไม่เที่ยงมันก็จริงแบบว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ก็จริงแบบว่าเป็นทุกข์แต่มันไม่จริงแบบควาเป็นทุกข์ ในความจริงมันมีความไม่จริงในความไม่จริงไม่มีความจริงเรียกว่าปรมัติสมมุติบัญญัติขึ้นมาในโลกเต็มไปหมดเลยอะไรอะไรก็เป็นสมมุติเต็มโลกเราก็หลงตรงนี้มอเห็นปรมติห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุอาการต่างๆ่างเหมือนอาจารย์หลวงพ่อมหาปานบัดโจกป่าหลวงเวียงจันท์ ประเทศเราสอบเอาลมลงผู่เถียนสมุตินะสีเชียงใหม่โยมเชีงคานอยู่สียางใหม่วัดลังสีมุกดาหารอยู่นี้อาจารย์สั่งให้โยมเชีงคานมาหาแต่ว่าทางระหว่างสียางใหม่มาลังสีไม่มีป่ า, ายิงเสือไปตรงนั้นแต่มันไม่ตายมันใส่ใครมาก็กัดถ้าอาจารย์สั่งให้โยมเชีงคานมาหานะ่ยจะมาไหม เราพ่อเถียงก็ตอบอย่างประมาทเลยต้องมาอาจารย์สั่งมาเอา้าถ้ามาเล่าเสือกัดเอา้าเสือมยังไม่กัดผมไม่กลัวหรือยังไม่กลัวไม่กลัวเอา้าถ้ามาเสือกัดผมจะไม่เห็นเสือผมจะกลัวยังไงถ้าเสือ ม, มาหาผมผมว่าจะฆ่าเสือได้เกลือเชี่ยไหมเกลือก็ไม่เชี่ยเพราะมันเป็นบัญญัติบัญญัติอย่างนี้อะไรมันเกิดขึ้นในตัวเราบัญญัติมาชอบบัญญัติว่าไม่ชอบ บัญญัตว่ากลัววันหยัดว่ากล้าถ้ามันบัญญัติว่ากลัวก็ไม่อยากทําทรมดีขี้เคียดถ้ามันบัญญัติว่าไม่กลัวทําคราชั่วก็ได้จับสะวุธิฆ่าหัดทหารกันเขาด่ากันก็ได้ถ้ามันบัญญัติว่ามันดีความชั่วมันบัญญัติว่าดีความผิดบัญญัติว่าถูกความทุกข์บัญญัติว่าสุขมันก็ทําได้เค่เราบัญญัติตัวโลความโกรธมันดีไหมปรมาภิมันไม่ถูก ควบโกรดเป็นสมมุติบัญญยัดควบไม่โกรดเป็นปรมาจิ ต, ต, ต, ต, ตจักควบโกรดดีไหมเราก็รู้ว่าไม่ดีแต่เราทําไมจึงโกรดเมื่อบัรมันหยัดเราก็ไปตามบรรยัดบัญญัติเอาทให้เราโกรดทําให้เราทุกข์ทให้เราลักเราชังอะไรต่างๆบัญญัติเอาบัญญัติตเอาเองต่างกันบางคนบัญญัติเอาความสุขอาจจะเป็นความทุกข์ของคนอื่นบางคนบัญญัติเอาความสุขความทุกข์ของคนอื่นอาจจะเป็น ความสุขของคนอื่นเช่นมากินเหล้าไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่สูบบุหรี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายไปดุ่งผ้าถุงซะบางทีเขาบอกกันสายก่อนเคยเป็นไม่กินเหล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไร น, นะแต่ตะก้อแข่งขันกันถ้าแข่งตามตะก้อลนต้องปรับลูกเอกหน้าเอแปะหน้าเอแปะหลังเตะหน้าเตะข้างหน้าถ้าตกลูกระบาดถ้าหลังซ่อนหลังแปะหลังถ้าตก ล่ห้าสิบต่างกรรมการก็เขียนหน่ยเขียนหน่อยการทำใตกก็ปรับไปปรับไปถึงเวลาหยุดก็ก็รวมเงินกันไปซื้อเรือาวา้กินเฉพาะคนดุมใสม่ไหมก่อนไม่เหมือนตะก้อทุกวันนช่ไหมตะปักตะก้อทุกวั น, นเขาทำให้ตกทาให้ตกได้เขาชนะแต่ก่อนไม่ให้ตกเลยแต่แตะก้อให้ตกเลยก็เสียเงินเราก็ซื้อเรือาวา้กินก็เขาจะเทรถปากเราก็ไม่กินนะ ไอ้ตัวเมียเอย้มึงเนี่ยกินเหล้า <c oughs> นี่เขาบัญญัติว่าสุขของเขาเพราเราไม่กินเหล้เาเพราะว่าทุกข์ของเรามึงโง่เลยเป็นอย่างนั้นก็เมีนะบัญญัติถ้าประหัตฐานกันถือสัตาวุธเขา้าวันเ ข, าข้าฆ่ากันตายร่อนตายไปก็ไม่ปวถ้าบัญญัติว่าทุกข์ของเขาก็ทาลงไปได้บัญญัติเชือกมาแขมข้ออะไรบัญญัติเอาปืนมายิงตัวตายบัญญัติกินยาตายบัญญัติ เอาไฟฟ้ามาชัดตัวเราตายบัญญัติอะไรต่างๆแล้วแต่บัญญัติเนี่ยมันเป็นร้นโลกทีเดียวหลวงพ่อเทียนมาลือถอนตัวเนี่ยบัญญัติเนี่ยไม่ไม่ใช่อาบัญญัติเนี่ยมันก่อนไม่ใช่ไปเห็นเข้าจริงๆไม่ใช่สุขก่อนสุขทุกข์ก่อนทุกข์เก็บกอนเก็บไม่ใช่อย่างนั้นบัญญัติปรมัตาจักรข้อมทุกข์มันเป็นสมบุรณ์บัญญัติขวอมไม่ทุกข์เป็นปรามาจัจะ หรือเราใช้มีดมีดในสําหรับฝันไม้ถานป่าสร้างบ้านสร้างเรือนอันนั้นถูกต้องตามบัญญัติสร้างมีดขึ้นมาเพื่อไปสร้างบ้านสร้างเรือนแต่สมมุติบัญญัติเอามีดไปฆ่ากันตัดขอกันได้หรผิดใช่ปรมัตารย์ไม่เป็นผิดเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องโยกย้าไปเลยเดือดร้อนตัวเราเดือดร้อนคนอื่นพอเห็นปรมาจาบัญญัติสมมติบัญญัติปรมาจาสัจจะ สมมุตดบัน ญ, ญัตหรือถอนต่าเห็นสินเห็นสมาธิเห็นปัญญาอ๋อสินเป็นยังไงสมาธิเป็นไงเราสัมผัสโอ้เรามีสินมานานเราไม่รู้เพราะเรามีสินมาโอ้เราอยู่กับสินมานานไหมไม่ถามใครแบ่งสินไม่ถามหลวงพ่อเทียนผมมีสินแล้วหรือยังผมมีสมาธิหรือยังผมมีปัญญาหรือยัง ไม่มีคำถามแบบนี้อ๋อเรามีศินแล้วมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ปรบัติเนี่ยไม่ใช่ไปขอแล้วก็ปกติอยู่นี่กายก็ไม่ทําบาปทั้งชั่วอะไรใจก็ไม่ทําบาปทั้งชั่วอะไรแม้แต่คิดคก็ไม่กล้าคิดอ๋อเราก็มีสินสินคือเจตนาสินนี่คือหนักแน้นสินมาจากคําว่าชิลาชิลาคืออะไรคือก้อนหินไม่หวั่นไหว ลมพัดก็อนหินก็นยืนอยู่นั่งอยู่ให้เหมือนเข้าเรียกไม่เหมือนนุ่นโอ้เราไม่หวั่นไหวมานานโอ้ฉินไม่เปอย่างนี้ด้วยทลานคือก้อนห็นหนักแทนในการกระทำทำอะไรไปเป็นเจ้าพนธิตั้งใจล่างถ้วยก็ตั้งใจกวดบ้านก็ตั้งใจอาซักผ้าก็ตั้งใจอะไรก็ตามปลูกต้นไม้ก็ตั้งใจ เคยสานคนปลูกคนไหวประครับประคองเหมือนเราลูกอ่อนลงใส่อู่ใส่เปลเวลาเอาถุงเอ า, เอาต้นไม้ออกจากถุงประครับประคองสองมือเหมือนเอ า, เ อ, า อ, อกต้นไม้ลงหลุมเหมือนเอาลูกก่อนลงใส่เปลนอนค่อยๆตัน่รียว่าสมาธิทำอะไรก็เป็นมั่นใจมั่นใจมั่นใจไม่สองจิตสองใจอ่านหนังสือก่อนหนังสือ สมห้สอบอักธรรมชั้นเอกนะอ่านภาจิต ด, ดูสิทัดลองดูสิสองเที่ยวจาได้ไหมสามบรรทัดภาจิตของทรมเอกก็ต้องให้สามบรรทัดเช่นว่ า, วามโนปุฟังเข้ามาธรรมานี่แถว ห, น, ห, น, ห, น, ห น, นึ่งมโนเสถามรวยานี่แถวหนึ่งททั้งหลายมีใจเป็นใจมีใจเป็นหน้าว่าสองรคให้ได้มันมีสมาธิเนละ ถ้าทำอะไรที่มันมีสมาธิดีมันดีหลายอย่างนะอะไรก็งามทำอะไรก็งามเรียบร้อยเมื่อวานหลองตาก็ไปพระทำงานเอ้ายกอิดปกตรงนี้ออกย้ายไปพระก็ไปวางที่อื่แต่กะไม่ถูกต้องวางใหม่เอาอิดอกตรงนี้ไปวางที่ไหนพระวางลวโลคก็ยกอิดปกไปาไวางไว้ทื่นเอาโรคที่อืน่นอิวางดีกว่าได้นไหมทําไม่แพน เพราะอะไรเพราะไม่มีสมาธิในการทํางานก็เลยบอกว่าไปวางตรงนั้นลองดูสิให้เป็นขั้นก้อนหินไว้ไปเราลงปวดมันจะไม่หินที่เรามาปูนี่มันจะไม่กระเด็นดเดายกออกยกกรวงังไปวางเป็นแถวขั้นหินไว้สวยงามตําไร้บัณฑีฮะถ้มีสมาธิไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาไปทํางาน ห้องครัวก็สะอาดที่นอนก็สะอาดเรียบร้อยเสื้อผ้าก็สะอาดศีลมันไปอยู่ในบ้านในครัวในที่ทำงานโต๊ะ เ, เก้าอี้ของอยู่ของกินสะอาดเรียบร้อยโอ้เราไม่ศีลเนนี่ศีลนี่ยใช่ไปอ่ารักษากายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศีลออามาเรียบร้อยหลายๆอย่างศีลโอไปรูปศีลรู้สมาธิรูปปัญญาศีลกำจัดกิเลสได้จริงๆอ่ะ อาสินแบบไหนหรือว่าสินจิกขาก็ามาลูสินอ่ะโอ้ยเยอะๆเลยดงแห่งปัญญาเลยทีเดียวมาศึกษากดงที่รูปที่นามเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนที่มาขอกับพระหรือสินนะยาอันนั้นเป็นสินสังคมบัญญัติเพื่อให้เรารักษาอยู่ด้วยกันอันละกิเลสไม่ได้เลยอันสินจิกขาที่มันเกิดจากการเจริญติตนี้มันละกิเลสได้ นะ้มันละได้โอ้อาศัยฉินอ่ะสิเลยผูกิดติงยันติผู้มีทรัพย์สมบัติก็พราอฉินมีความสุขพอฉินสิเลยนะผู้กษัมบัตผู้มีทรัพย์สมบัติได้พเพราฉินสชื่อนี่ผู้ติงยันติผู้ไปนิพพานได้ก็พอฉินโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วใจมันดีกว่าเก่าพ้นภาวะเก่าขึ้นมาปรามาตัตดเห็นฉินเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นปรามาัดเห็นสมมติปัญญัตลื้อถอน ไช่ก็ว่าเข้าประตูทําไปเลยตอนนี้นะใจก็สูงขึ้นไปอย่างนี้นะไม่ใช่คิดหานะมันเห็นมันทำให้มีโอเหมือนเลือดหลงตาพผู้เริ่ถ้าเกรดเปนดีมันเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปฐมตั้งแต่เริ่มต้นเรารู้มีไหมตัวลูกเราหลงไปไหม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 พอมีสติเข้าไปมันหลงมัญย่อยออกมาเรี่ว่าศิกขาศิกขาของภิกษุมีสามอย่างคือศินสมาธิปัญญาการรักษากายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศินการรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิรอบรอบลู่ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาเอาเราก็ตอบได้เรียนมาบั น, นี้ไม่ใช่อยู่ในตํารากระดาษมันอยู่ในเรานี่ แล้วมีสติเนี่ยมันเป็นรักษาะการวาจาใจได้การมีสติสะใจชีรุ่นนี้มันเป็นสมาธิไหมเคลื่อนไหวอย่างนี้เป็นเป็นสมาธิไหมหรือเป็นตั้งหลับตาวันหลับตาเนี่ยวันรู้เลยไงนั่งหลับตาหล ต, ตาแค่เป็นตั้งอยู่ในกติพุทธญาณอยู่ใกล้ๆหมู่ดงป่าไรล่์เลยหลืนตาอยู่ที่การแต้มัน มันทระกับอะไรมาแกล้งแกลกงแกล้งองอยู่ว่าฟังเสียงอยากไปเห็นตัวมันฟังแต่เสียงแล้วก็หันหน้าไปทางมันล้องอยู่ว่านั่งหันหน้าไปทางนั้นเสียงมาก็มีสองเสียงเสียงกาแต่ก็ล้องแกล้ๆแกล้งแกล้งกอีกเสียงก็เนี้ยก็ฟังมาฟังมาเออมันกาเต่ไล่งูมากราแต่มันออกลูกเป็งู เขามันไปทางนั่นมันก็ไล่อ่าก็กัดฉางเลื่อยไปกัดแต่ก็เว่งกัดางงูโหก็เคลื่อนมาฉกมันก็คืนมาเอาไปมากระแต่กัดไล่มาไล่มาเหมือนนกกรงเฉนถ้าเห็นงูเขียวมามันก็สมัยนึงก็มีนกกังเฉนมาอยู่ก็ป่วยจากน้ำอ่าเมื่อก็นไล่งูได้แต่มันไล่งูมหาเราเราลืนตาเยอะอ่าแล้วก็มีกติเตียง อาแฝกมองเอาเตียงไว้ตั้งไวนง้นอนก็มันเลือยมามันจะมาเข้าใต้เตียงเรานั่งอยู่มูเห่าก็บอกไปว่ามันไม่รู้เราเราก็ไม่เคลื่อนไหวก็นั่งดูมันเลืนตาแล้วไม่เลื่นตาเฉียนงูไหมเน้นงูกัดเราทีสมาธิเป็นนั่งหลับตาเหรือไม่ใชสมาธิแบบนั้นเลื่นตาอยู่องนมามเลื่อยมาเลยมาเตียงก็ไม่สูงนะก็เลย เอากล่องไม่ฉีดโยนไปไมัน้อถูกหัวงูพอดีองูก็ตกใจตื่นขึ้นมากรโจนคอขึ้นเสาเราว่าแผลผังผ่านเห็นเรานะเราก็เอาผ้ากีวร์มาค่อยๆปิดหน้าไปไอ้โว้ขอโทษเด้อเพราว่าจะบอกเธอว่าเรานั่งอยู่นี่ทำไมตกใจน้องข อ, ข, อขอโทษขอโทษก็นั่งกลัวมันจะผลนัพธ์อะไรก็แล้วว่าเอากีวร์มาปิดตาไปเด่อยนะ แต่๋ย ว, วปุ๊บลงก็วิ่งเขาก็ไปอันไม่หลับตามันดีอย่างนี้ถ้าหลับตาละงูเลื่อมาเลยม า, ยมานั่งตาเราเห็นมันเลื่มามันจะกตกตกล่ะกัดตาเลยทีเดียวสมาธิไอ้ใชนั่งหลับตาไปทํางานปลูกต้นไม้ไปเขียนหนังสือเป็นหมอก็ไปทํางานไปเขียนไปเขียนบัญชีไปชิ้จาสมาธิแนะ่นอนสมาธิเป็นสําหรับใช้งานใช้การศีลเสวะที่ปัญญานี่ไม่เป็นไปอย่างนี้นะ การปฏิบัติธรรมมาเห็นอุปทานขันธ์หน้านี่โชว์ที่ชุดเลยโชว์ตลอดแบบอะไระไรไม่โชว์เท่ากับขันธ์หน้าเลยมันโชว์สุดท้ายเลยเรามาชนะตรงนี้กันการปฏิบัติธรรมมันมีสูวดตีสวดมีสวดไปนะเอาเช่นเรามาสุ่มจี่จม้ามีเรียนตาข้อต่อของครูโคดเจ้าก็ทรงดแสดงสั่งสอน พอสาวโวทั้งหลายก็ติตามรูปตามมาจนถึงพวกเราตัวนี้ยังมีอันเดียวกันอยู่สติอันเดียวคงรู้สึกตัวกับพระเจ้าจะไว ห, ห้าสองสาันปีมาแล้วกับอยู่กับเราอันเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เป็นสามัญชนคือขาสองแขนสองเป็นสุขเป็นทุกข์ร้อนหนาวเหมือนกันกับเราแต่ว่าชมเป็นสมมุติเทพเป็นกษัตริย์ แต่ว่าเสมอกัรด้วยสามัญลักษณะคือเหมือนกันเปล่าก็าใช่วิเศษวิจามาจากไหนเอาวันนี้ก็พูดให้ฟังเนาะ